การปฏิบัติธรรมมันก็เป็นการเปลี่ยนนิสัยของใจเรานี่แหละจากเดิมที่มันเป็นไปเพื่อความยึดความถือเป็นไปเพื่อความเพลินเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่ง พอเพลินไปก็เกิดความรักใคร่ยินดีมีความยึดมั่นถือมั่นแต่พอเราได้มาฟังคำสอนได้มาปฏิบัติธรรมเราก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนจากนิสัยเดิมให้มากลายเป็นนิสัยใหม่ๆนิสัยที่เราจะไม่ส่งใจของเราออกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ไม่สนใจไปตามความคิดนึกปรุงแต่งมีใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจหรือคำบริกรรมพุทโธที่อยู่เฉพาะหน้าย้อนให้ใจมาเป็นใจที่ตั้งมั่นในภายในจากเดิมที่มีนิสัยเป็นปกติของใจก็คือออกไป ข้างนอกออกไปรับอารมณ์ข้างนอกแล้วบทที่จะพักก็แค่ตอนเรามาพักผ่อนนอนหลับถึงได้ย้อนกลับเข้ามาพักสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดแบบนั้นเนี่ยมันก็ออกไปรับตามธรรมดาแบบใจที่ไม่ได้เคยฝึกหัดปฏิบัติมันก็รับอารมณ์ ไม่เลือกรับแบบไม่เลือกพอ ร, รับแบบไม่เลือกมันก็เหมือนเราไม่เลือกกินอะไรเลยอาหารที่มันบูดเน่าอาหารที่มันเป็นอาหารอย่างดีเราก็ไม่ได้เลือกอะไรอยู่ต่อหน้ามีพิษไม่มีพิ ษ, พษเราก็กินหมด แต่มนุษย์เราเนี่ยข้างนอกเนี่ยเขายังสอนกันใช่ไหมว่าแบบนี้กินได้แบบนี้กินไม่ได้แบบนี้มีประโยชน์แบบนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ให้รู้จักที่จะเลือกที่จะบริโภคอันนี้เราก็ได้รับการบอกสอนกันมาว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยสำหรับเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราต้องเลือกแบบไหนยังไง โลกโลกเนี่ยเขาก็สอนกันสอนก็เป็นธรรมชาติแต่ยังเรื่องของใจเนี่ยโลกโลกเขาก็สอนเหมือนกันแต่โดยมากเขาก็สอนที่จะให้ส่งออกข้างนอกก็มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่เสด็จอุบัติขึ้นแล้วก็ได้แสดงแจกแจงว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็จึงทําให้คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าความดีความงามก็จะได้เห็นคุณค่านั่นแหละว่าการที่เราไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนเราก็มาประพฤติปฏิบัติแบบหนึ่ง แต่พอเราได้ยินได้ฟังคําสอนที่พระผู้มีพระภาคแจกแจงเอาไว้แล้วเราได้ลองปฏิบัติตามแล้วได้เห็นผลจากการปฏิบัติมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังแต่แน่นอนเวลาที่เราเห็นผลแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มีความมั่นใจว่าเออสิ่งที่รู้เจ้าตรัสเอาไว้ว่าบางอย่างมีโทษ แต่ตามโลกสมมติเขาบอกว่าเป็นเรื่องดีพอเราได้ลองทำดูเนี่ยเราก็จะเห็นโทษพอเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เราก็ระมัดระวังสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำแล้วดีมีประโยชน์ อ, อย่างเช่นมีการรักษาศีลมีการทาความสงบเหล่านี้เนี่ยพอเราได้ลองทำดูแล้วเนี่ยเราก็จะ เห็นได้ว่าผลที่ได้ก็คือเรื่องที่มันจะมาวุ่นวายกับใจมันก็ลดลงน้อยลงพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีแกะใจที่เราจะทำให้มันปรับปรุงอ่ะปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันละเอียดขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่พูดมาถึงตรงนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่มีคำสอนเราก็ไม่ต้องด้นดาวเอาเนี่ยว่าอะไรจะดีอะไรไม่ดีอะไรมันดีแบบจริงจังตามสภาวะแล้วอะไรที่มันไม่ดีตามสภาวะแล้วอะไรที่เขาว่าดีตามสังคมนิยม แต่มันดีไม่จริงตามสภาวะความเป็นจริงเราไม่ต้องทำการทดลองเองแต่เรามีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นที่ทรงค้นพบแล้วแล้วก็นำมาแสดงแจกแจงให้เราเราก็ไม่ต้องเหนื่อยง่ายๆเราไม่ต้องเหนื่อยเราก็มีหน้าที่แค่พยายามทำพยายามฝึกแล้วก็ฝึกไม่ได้ฝึกอะไรฝึกนิสัย ของเราใหม่เปลี่ยนจากใจที่ไม่เคยเห็นโทษของกรรมมีแต่เผลอเพลินไปทางกรรมก็เป็นใจที่คิดจะหลีกออกจากกรรมคิดที่จะสแสวงหาความวิเวกประพฤติพรหมจรรย์ก็มีหน้าที่ทำอยู่เท่านี้แหละพยายามทำให้มันดี ถ้าจะบอกว่าให้มันย่อๆหน่อยก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือศีลสมาธิปัญญางานก็รวบอยู่ได้ตรงนี้ก็คือเราก็รักษาให้ศีลให้มันดีหัดทําความสงบกับจิตใจให้มันได้แล้วก็หมั่นที่จะใครครวนพิจารณาให้เห็น โทษของกาลโทษของวัฏฏะโทษของสังสารวัฏโทษในการที่ยึดถือยึดมั่นถือมั่นโทษของความไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงนี่ก็อีกไม่นานแหละสออาทิตย์ก็จะถึงวันอาสารหะวันอาสารหะก็เข้าพรรษาต่อกัน ซึวนอาสาฬห์มันก็เป็นวันสําคัญนั่นแหละเป็นวันสําคัญที่เป็นเครื่องยืนยันยืนยันความตรัสรู้จริงของพระพุทธเจ้าให้กับหมู่มนุษย์หมู่เทวโลกหมู่พรหมเกอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นผู้ยืนยันยืนยันในตัวเอง ยืนยันในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรู้ยืนยันในผลที่พระองค์ทรงได้รับได้ด้วยพระองค์เองอยู่แล้วซึ่งแค่นั้นเนี่ยมันก็ทำให้โลกมันก็หวั่นไหวหวั่นไหวไปด้วยความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นจากความรู้ได้ทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ลงไปได้ ด้วยพระองค์เองไม่ต้องมีใครมาคอยบอกสอนและผลที่พระองค์ได้รับก็คือพอระองค์ก็ได้กําจัดเชื้อของความทุกข์ออกไปจากใจได้กําจัดเชื้อของความเกิดไม่ต้องกลับมาเวียนวนเวียนตายเวียนเกิดอีกเพราะว่าถ้าเรายังมีเกิดอยู่ มันก็เป็นแพ็กเกจอะที่เราจะต้องได้รับก็คือแก่เจ็บตายและนอกจากนั้นก็จะมีทุกจรที่เป็นความแห้งใจความห่อเหี่ยวใจอะไรเหล่านี้ตามมาอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเกิดตัวเดียวเท่านั้นแหละทุกต่างๆมันก็ตามมาอีกมากมาย ซึ่งไม่ต้องอธิบายเราก็พอจะรู้กันนี่แหละ ว, ว่าพอเราเกิดมาจนถึงป่านนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็คละเคลา้คลากันไปทั้งความสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปซึ่งถ้าเรายังไม่เบื่อเรายังไม่เบื่อในการที่จะมาเวียนตายเวียนเกิดแบบนี้ เราก็จะไม่ได้มาศึกษาคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงเอาไว้แล้วเราก็จะทำผลที่ได้จากคำสอนให้มันบังเกิดขึ้นกับจิตใจของเราไม่ได้ซึ่งผลก็คือความสิ้นไปแห่งทุกเราก็จะทำตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ ผลที่ได้จากการที่เราทําตามคำสอนได้สุดทางก็คือความไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราก็จะทาไม่ได้แต่พระองค์ได้ทรงทําเรียบร้อยแล้วเสร็จงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้นาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นว่าธรรมะ คือสิ่งที่พระองค์ได้จัตสรู้นั้นเป็นในญานิกธรรมคือธรรมที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้จริงและผลที่ได้พระองค์ก็เป็นคนที่ยืนยันว่าความพ้นทุกข์มันมีจริงประจักษ์ใจอยู่แต่เพียงแค่นั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่เพียงพอที่จะทำให้เห็นถึงคุณค่าของพระพุทธเจ้า แล้วก็คุณค่าของพระธรรมจนถึงวันเพ็ญเดือนอาสารหะเนี่แหละที่ทำให้คุณค่าของพระพุทธของพระธรรมนี่เต็มบริบูรณ์เพราะว่าได้มีสังฆรัตนเกิดขึ้นกันที่พระองค์ทรงสดแสดงธรรมกันแรกที่เราคุ้นเคยกันในชื่อว่าธรรมจักกะปวัตนสูตร เป็นการแสดงให้หมู่ปัญจวัคี์ได้ฟังพอได้ฟังแล้วเนี่ยพระอัญญากรธัญญาก็ได้มีความรู้มีความเข้าใจเกิดขึ้นที่ใจที่เราได้ออเรียกกันว่าดวงตาหินธรรมขึ้นมามีธรรมมาจากสุขเกิดขึ้น แล้วก็ได้ทูลขอการอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าการที่พระญากรธัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้ทูลขอการบรรพชาอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลทั้งโลก ไม่ใช่โลกมนุษย์อย่างเดียวเทวโลกพรหมโลกด้วยว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่นำออกจากทุกได้จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่พระองค์พระองค์เดียวแต่ธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่สามารถที่จะทำให้บุคคลใดก็ได้ ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามสามารถที่จะรู้สามารถที่จะได้รับผลจากการปฏิบัติอันนั้นได้เชกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพอมีสังฆรัตนะเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็จึงทำให้เห็นคุณค่าของพระพุทธกับพระธรรมได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ว่าพระพุทธเจ้านอกจากจะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์งเองเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระธรรมก็เป็นสว่างขาตธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ดีแล้วเป็นนิยานิกรธรรมคือธรรมที่นําออกจากทุกข์ได้จริงแล้วก็ยังสามารถทําให้บุคคลใดก็ตามที่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติก็ รู้ก็ได้ผลไม่ต่างกันไม่ต่างกันคือความพ้นทุ ก, ก็ได้เสมอกันความบริสุทธิ์ของใจที่ได้ก็เสมอกันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมะเฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่สาธา ร, รณะสำหรับบุคคลที่ นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็ได้ผลตามการปฏิบัติของตนของตนเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในยุคที่มันดีแล้วถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่คอยเทศนาณตอนนี้แต่พระธรรมที่พระองค์ทรงสดแสดงเอาไว้ก็ยังเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดดีงามในเบื้องต้น ในถ้ำกลางแล้วก็ในที่สุดแล้วก็บุคคลที่เป็นสุปฏิปนโนอุชุยายะสามีจิก็ยังมีอยู่บนโลกนี้สำหรับบุคคลที่ยังต้องทำงานงานยังไม่ยังไม่อยู่จบพรหมจรรย์นี้ได้ก็สามารถที่จะ คอยสอบถามคอยรับฟังรับการอบรมจากผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนอุชุยายาสามิจิเหล่านั้นได้ให้เราเข้าไปสอบถามสอบทวนรับการอบรมเราก็จะได้ค่อยๆได้ฝึกได้หัดได้ขัดจิตใจของเรา แต่แน่นอนแหละไม่ใช่ว่าทางมันเจอรอยด้วยกลิบกุหลาบอะไรอะไรมันจะง่ายไปหมดมันก็ไม่ใช่เพราะว่ากิเลสมันก็ครองหัวใจของหมูสัตว์มานมนานมันก็ไม่ให้หมูสัตว์เนี่ยได้หลุดพ้นจากเงืม้อมือจากอำนาจของมันแน่นอนมันก็ต้องพยายามที่จะ ทำให้เราออกนอกทางทำให้เราเข้าใจคําสอนได้ไม่ตรงพยายามที่จะทําให้เราไม่มีกําลังใจหรือมีกําลังใจก็ไม่ต่อเนื่องในการที่เราจะมาฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราพยายามที่จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาล่อหลอกเอาเรื่องงานมาหลอกเราบ้าง ให้เราเห็นความสำคัญว่ามันเป็นความสำคัญยิ่งยวดไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะสำคัญยิ่งไปกว่าอันนี้เราก็ต้องทุ่มเทใจไปคอยแก้ปัญหาคอยมุ่งทำงานอันนั้นหรือไม่ก็ล่อหลอกให้เราเห็นความดีความงามความสุขในทาง ทางกามทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพยายามให้เราหลงเพลินติดเปน็นนานๆเราจะได้ไม่มีแก่จใจที่เราจะเห็นโทษไม่มีแก่จใจที่เราจะได้นำตนให้มันออกจากทุกข์เราก็ต้องต้องไม่ประมาทไม่ให้มันมาหลอกเราไม่ให้มันมาคอยขัดขวางเรา ในเส้นทางอันนี้เส้นทางที่เราจะนำตนให้เราออกจากทุกข์ออกจากสังสารทุกข์อันนี้ซึ่งถ้าเราพลาดขบวนรถไฟอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปขึ้นขบวนไหนเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเราจะเกิดชาติใหม่แล้วเราจะได้มาพบเจอพระพุทธศาสนา ได้มาพบเจอเกัลยาณมิตรได้มาพบเจอคําสอนหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้คาดเดาไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เนี่ยมันแน่นอนแน่นอนในอะไรแน่นอนในพระธรรมที่ยังเป็นสวักขาธรรมอยู่ยังเป็นพระธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดอยู่ โอกาสของเราก็ยังดีอยู่เราไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกเราก็เป็นคนที่มีศักยาภาพพร้อมในการที่เราจะปฏิบัติธรรมได้ดีเราก็ใช้เวลาตรงนี้ใช้โอกาสดีตรงนี้ให้มันคุ้มค่ามันก็ต้องแบ่งกันนะระหว่างเรื่องของโลกสมมุติ กับเรื่องที่เราจะพาตนให้มันไปสู่วิมุตมันก็ต้องพยายามประคับประคองกันไปแต่เราจะบอกว่าเราจะเอาแต่วิมุตอย่างเดียวไม่สนโลกสมมุติเลยเนะี่ยมันก็ลำบากมันก็จะอยู่ลำบากแต่เราอยู่บนโลกสมมุติโดยที่เรา พยายามประคับประคองเส้นทางที่เราจะไปให้มันถึงวิมุติเนี่ยมันทำได้แต่แน่นอนมันก็อยู่ที่กำลังใจเรานะกำลังใจเราด้วยที่เราจะมุ่งมัน่นที่เราจะไม่โดนกิเลสมันมาคอยล่อหลอกขัดขวางเวลาเรามีจุดอ่อนตรงไหนเนี่ยมันก็เอาจุดอ่อนมาเล่นงานเราเนี่แหละ อย่างบางคนอยากรวยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมาล่อหลอกเราหาโอกาสให้เรามีโอกาสทำเงินให้ได้มากๆหรือบางคนที่บกพร่องทางด้านทางด้านคู่ทางด้านความรักมันก็เอาคนมาทดสอบเรา แต่ก็ไม่ได้บอกว่าการมีคู่หรือว่าการไม่มีคู่เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะแต่แน่นอนว่าการที่เราเป็นคนไม่มีคู่เนี่ยมันก็เบาสบายดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่มีคู่แล้วมันจะทำที่สุดแห่งความทุกข์ไม่ได้เราจะบรรลุธรรมไม่ได้ก็ไม่ใช่แต่ถ้าให้เปรียบเทียบว่า เราเป็นคนไม่มีคู่เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาคู่ก็ได้เราก็ตั้งหน้าตัาง้งตาเดิน ม, มาเส้นทางสายนี้ไปเพราะ่าการมีคู่มันก็ไม่ได้เป็นการการันตีไม่ได้เป็นการรับประกันอะไรว่าเราจะเป็นคนที่มีความทุกข์ลดลงแล้วก็จะทำให้เราเป็นคน ที่มีความเห็นไปในทางที่เราจะสงบพระงับเห็นโทษของกามได้มาประพฤติปรมาจันแต่คำว่าคู่เนี่ยมันก็คืออะไรก็คือมากกว่าหนึ่งเพราะมากกว่าหนึ่งสิ่งที่มันตามมาแน่นอนคือความผูกพันความผูกพันความยึดความถือ นอกจากเราจะยึดถือข้าวของเครื่องใช้ทรัพสมบัติสลิงคานอะไรต่างๆของเราเนี่ยเราก็ยังต้องมายึดคนด้วยมันก็ทำให้ชีวิตของเรามันก็หนักขึ้นมาอีกคนโบราณเขาก็คอยพร่ำบอกคอยบอกอยู่เสมอนันแหละพอไปถึงจุดหนึ่งเขาก็ใช้คำว่าอะไร คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนไม่มีคู่ก็อยากมีคู่คนมีคู่แล้วก็อยากจะเป็นคนไม่มีคู่มันก็เป็นความจริงของโลกใบนี้นั่นแหละว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะคนมีคู่ก็อยากจะเป็นคนไม่มีคู่คนไม่มีคู่ก็อยากมีคู่มันชี้เห็นอะไรมันชี้เห็นว่า มันมีเกลียนสารจริงไหมล่ะถ้ามันมีเกลนสารดีจริงการที่จะมีคู่แล้วเนี่ยมันต้องมีแต่คนอยากเป็นเพราะเป็นแล้วมันดีแต่ทำไมคนเป็นแล้วมันอยากจะออกอยากจะเลิกแล้วมันก็มีสัสดส่วนที่ไม่น้อยอะ่ะไอ้คนที่อยากจะเลิกเป็นคนคู่นะเพราะอยู่แล้วมันทุกข์ไ อยู่แล้วมันไม่สบายใจอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมันก็อยากจะเลิกเป็นคนคู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นการการันตีที่ยงแท้ว่าการเป็นคนคู่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้เรานำความสุขมาให้อย่างที่งแท้ยั่งยืนถาวรแล้วพอมาคิดดูดีๆพิจารณาดีๆ ก่นที่มันจะเป็นคู่กันเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเรามีความสุขอะไรเราได้รับความสุขอะไรจากอีกคนหนึ่งมันเหมือนว่าเราจะได้รับความสุขจากอีกฝั่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงมันก็เหมือนหมาแท็กกระดูกนะเห็นกระดูกเนะี่ยสุดท้ายมันไม่ได้กินอะไรแหละกระดูกมันก็เคี้ยวไม่ได้กัดไม่ได้ แต่มันก็มีกลิ่นเลือดอยู่บ้างพอเห็นรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยนะมันเป็นของกินของดีของอร่อยแต่สุดท้ายที่มันอร่อยคืออะไรน้ำลายตัวเองมันก็เปรียบได้กับความคิดนึกปรุงแต่งของเราไปนั่นแหละไอ้น้ำลายที่ว่ามาแท ก, กระดูกนั่นนะมันก็เลียไปแทะไปพยายามแทะไปงับงับงับงับมันก็ดูเพลินมีความสุขดี แต่สุดท้ายมันไม่ได้กินอะไรตรงนั้นแหละกินน้ำลายตัวเองอร่อยน้ำลายตัวเองแต่มันอร่อยเพราะมันได้จินตนาการว่ามันกำลังกินอยู่นแทะกระดูกได้กินความอร่อยของกระดูกอยู่มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ส่วนมากความสุขที่เราว่ามันสุขเนี่ยมันก็สุขจากการที่เราคิดนึกปรุงแต่งไปเองทั้งนั้นแหละมันใช่มันดีมันถูกต้อง มันน่ารักใคร่ยินดีแต่พอมันไปถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมมันไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่ายินดีกลายเป็นว่าเอ้าวันๆก็มีแต่เรื่องปวดหัวถ้ามันดีจริงมันต้องไม่ต้องมันจะต้องไม่ถึงจุดนั้นน่ะมันจะต้องไม่นำความลำบากลำคาญใจมาให้แต่เพราะมันมันมันไม่ใช่เป็นของดีจริงไง เป็นของที่เราวาดฝันคิดนึกปรุงแต่งไปอันนี้มันก็พยายามพิารนาให้มันเข้าใจนะเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเรามองแต่ฝ่ายที่มันกิเลสพาคิดมันก็สร้างความยินดีพอใจพยายามจูงใจให้เราโอ้ยดีนะเขาดีนะ หรือว่าอันนั้นดีนะแล้วเราก็อยากที่จะเสพอยู่เรื่อยๆอยากที่จะเข้าไปคุยอยากที่จะเข้าไปถ้าเป็นข้าวของก็อยากจะเข้าไปใช้อยากหามาให้ได้มากๆกิเลสมันก็จะพาจูงใจเราไปอย่างนั้นหละแต่ถ้าเรามีสติที่เราจะคอยคุยคอยตั้งคำถามคอยวิาพากวิจาร์ เราก็จะได้มีอีกฝั่งหนึ่งที่จะมาขานกันขานอำนาจของกิเลสในใจของเราแต่พอพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของการที่เราไม่เผลอเราไม่โดนมันหลอกใช่ไหมแห้เราก็ได้ตั้งคำถามได้พิจารณามันก็อยู่บนพื้นฐานที่เรามีสติก่อน มีสติที่เราเท่าทันจิตใจอะ่ะเท่าทันที่เราจะตั้งคำถามกับมันตั้งคำถามก่อนที่มันจะมาครอบงาจิตใจของเราหรือครอบงาแล้วแต่มันยังไม่มีอำนาจมากที่จะมันจะจูงจิตใจของเราไปเพราะฉะนสติก็จะเป็นตัวแรกตัวสำคัญที่เราจะได้ใช้ ในการที่จะเป็นตัวบุกเบิกเส้นทางเส้นทางแห่งความดีเส้นทางแห่ ง, ง, งการประพฤติพระมาจันเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์การเข้าสมาธิมันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะความสงบที่เกิดขึ้นกับจิตใจความสงบสบายที่มันมีเนะี่ยมันก็มีความสุขดีอยู่แต่อย่าให้มันหยุดอยู่แค่นั้นนะ เพราะว่าคนเราไม่คิดไม่พิจารณาเลยนี่มันไม่ได้เพราะวันหนึ่งที่เราเข้าสมาธิไม่ได้มันก็ไม่มีเครื่องอยู่ให้ใจแต่กันที่เราเข้าสมาธิได้แล้วเราก็นํามันมาคอยบอกคอยสอนให้มันเห็นโทษให้มันเห็นโทษแล้วมันจะได้ไม่ไปยึดมั่นติ่นมั่นหรือให้มันปล่อยวาง อันนี้เป็นสิ่งจาเป็นอันนี้มันจะทําให้เราไปสุดทางได้แต่การที่เรานอนจมอยู่กับความสงบเพยียงอย่างเดียวอันนี้ไปไม่สุดทางมันก็จะไปจอดอยู่ที่พรหมโลกอะเป็นพรหมอยู่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นหลักๆ ก, ก็คือเราก็ต้อง เข้าสมาธิบ่อยๆใช่ไหมพิจารณาบ่อยๆใช่ไหมพูดง่ายๆคือเราก็ต้องสร้างนิสยัยสร้างนิสัยใหม่ให้เรามีสติที่จะย้อนใจเรากลับมาให้มันตั้งมัน่นมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในภายในเหตุ <Perquè> ที่เราจะทําให้ใจของเราย้อนกลับมาตั้งมั่นอยู่ในภายในเราก็ต้องทําให้มัน เคยชินคุ้นชินทำให้มันจนเป็นนิสัยให้ได้เหตุของการที่เราจะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงรู้เท่าทันกิเลสแง่มุมของกิเลสในใจเราเราก็ต้องทำเหตุเหล่านั้นเนี่ยให้มันชินให้มันชำนาญให้มันเป็นนิสัย อย่างถ้าเราได้ศึกษาพุพทธประวัติเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าท่านใช้คำว่าบุคคลผู้นั้นมีอุปนิสัยโสดาบันบุคคลผู้นั้นมีนิสัยของพระอรหันต์แต่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นพระอรหันต์นะหรือว่าเขาเป็นพระโสดาบบันแต่เขามีอุปนิสัยก็คือนิสัย ของการที่เขาจะพิจารณาการที่เขาจะมีมุมมองเกี่ยวกับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเขาฝึกนิสัยให้ใจของเขาเนี่ยมาจนชินแล้วแหละมีนิสัยของโสดบทรันแล้วหรือบางคนก็มีนิสัยของพระอรหันต์แล้ว ก็แค่รอรอคนมาปลดล็อกให้ก็คือรอคนที่จะมานำทางชี้บอกว่าเส้นทางที่เราจะควรเดินต้องเดินยังไงต้องไปทางไหนแต่คุณสมบัติเนี่ยมันพร้อมแล้วถ้าเปรียบเป็นการเดินทางเนี่ยรถก็มีแล้วน้ำมันก็มีแล้ว สภาพคนขับก็พร้อมก็รอแค่ว่ามีคนมายื่นแผนที่ให้มีคนคอยบอกทางให้ก็ขับไปได้ถึงที่หมายแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีอุปนิสัยก็ต้องสร้างอุปนิสัยหมายความว่าเราอาจจะยังไม่มีรถไม่มียานพาห น, นะหรือมียานพาห น, นะแต่เราอาจจะ มีไม่สมบูรณ์ล้อไม่มีบ้างหรือน้ามันไม่มีบ้างเราก็ต้องสร้างซ่อมให้มันบริบูรณ์พร้อมที่จะไปถึงแม้ว่าเราจะมีแผนที่แต่เครื่องมือของเรานิสัยของเรามันยังไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นก็จึงจำเป็นที่เราต้องฝึกนิสัยเราฝึกนิสัยให้เราเป็น ผู้ที่มีนิสัยที่มันพร้อมที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้